วันนี้จะเทศมนุษย์สมบัติให้ฟังก็ไม่กลาจะเทศอะไรอะไรก็เทศไปหมดแล้ววันนี้เห็นคนมากมเทศเรื่องคนเรื่องมนุษย์นี่แหละเทศลร่งอื่นกงมีเรื่องเทศอะไรหรอกมนุษย์ของเรา ที่เรียกว่ามนุษย์สมบัติสมบัติคือของที่เราได้มาแล้วเรียกว่าสมบัติของมาถึงมือของเรามาถึงตัวของเราเนี่ยเรียกว่าสมบัติมนุษย์สมบัตินี่เป็นของดีวิเศษได้อะไรทั้งหมดสู้อันนี้ไม่ได้ทั้งนั้น ที่เป็นมนุษย์สมบัติมาแล้วนั้นสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างมีพร้อมมดสวรรค์สมบัติก็อยู่ในนั้นนิพานสมบัติก็อยู่ในนั้นในมนุษย์สมบัตินั้นคนที่จะไปเกิดสวรรค์ก็ดีเป็นพรหมก็ดีถึงพระนิพพานก็ดี ต้องมาได้มนุษย์เช่กนก่อนมาเป็นมนุษย์นี่เช่นก่อนมาสร้างสมเอาอในมนุษย์ของเรานี่แหละพระสาวกทั้งหลายพุทธเจ้าเป็นตนท่านก็มาสร้างเอามนุษย์นี่ทั้งนั้นมาสร้างมนุษย์เพียงพอแล้วยังใคยได้ สวรรค์ไดนิพพานเป็นของปอิดเสิดเลอที่สุดมนุษย์ของเรานี่เป็นเบื้องต้นเบื้องต้นที่จะพูดถึงเรื่องมนุษย์สมบัตเนี่ยสามารถที่จะทำดิบทำดีทุกสิ่งทุกอย่าง อบรมศึกษาวิชาควงมรู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นเท่าพญามหากรัตรมั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกสิ่งทุกประการถ้าไม่ได้มนุษย์เจแล้วก็ไม่ได้ของก็ได้เรียว่ามนุษย์สมบัตินี่เป็นของดีลิด ดียิ่งกว่าสิ่งอื่นหมดดีจนกระทั่งเป็นผู้วิเศษวิโสทุกสิ่งทุกประการพระพุทธเจ้าก็มาเกิดในมนุษย์ก่อนภาษาบอกทั้งหลายก็มาเกิดมนุษย์นี่ใช่ปะที่จะเป็นพระพุทธเจ้าจะเป็นสาวกเกิดในพอบอื่นชาติอื่นไม่ได้เป็นหรอก คนเราทุกคนที่เกิดมาได้ชื่อว่าได้มนุษย์สมบัติแล้วแต่ว่าคนเราอ่อยละเหลืองทิ้งเสียไม่ได้ความลุง่อไม่ได้ปรับปรุงให้มนุษย์สมบัติเว็นของดีเลิศขึ้น ให้ละทิ้งไปเอราะพืชควรชั่วเวหลวไหลทุกประการมนุษย์นี่แหละจะชั่วก็ดีเป็นนักเลงสุรายาเมาฆ่าการคิดตรอเพื่อผิดทุกสิ่งทุกประการถ้าไม่ได้มนุษย์ได้ก็ทำไม่ได้ของพนัก ต้องในมนุษย์เสก่อนพอร้อมเลยกายวาจาใจจิงค่อยทำความชั่วดายละทิ้งเสียให้ไปทำความชั่วดายหน้าเสียดายเสียดายบุญกรรมตกแต่งมาให้เกิดมานมนุษย์ได้สมบัติอันดีแล้ว แต่เราไม่ปฏิบัติเราไม่รักษาสมบัตินั้นสมบัติอันดีมีค่าอย่างเพชรมินจินดาเขาได้มาต้องรักษาใบข้องดีมาต้องรักษาไม่ตกหล่นไม่ตกหายไม่ไม่อะไรมาถูกบุกสลาย ของดีกันจองรักษาไว้มันดีคนเราหามั น, นไม่เป็นอย่างนั้นท้าเป็นอย่างนั้นทุกคนมันก็ดีเลยสิรู้สึกว่าตนได้มนตสมบัติเป็นของดีเลิศแล้วก็รักษาของดีนั้นไว้มันก็ของวิเศษ โลกวันนี้จะไม่วุ่นวายโลกในนี้จะไม่เดือดร้อนเป็นของหน้าอยู่ที่สุดมนุษย์หากรทาชั่วเร็วทรามไม่ใช่คนอื่นทำมนุษย์ทำแท้ๆพวกเปรตผีปิศาจตั้งๆ ไ, ไม่มาทำความชั่วหรอกคนเราไม่ทำความชั่ว จึงว่าจะาสร้างควมชั่วทำคามผิดทุจริตต่างต่างนั่นก็มาได้มนุษย์ช่ก่อนในมนุษย์สมบัติพร้อมโมลิวูลใช่ก่อนเรียกว่ามีกายมีวาจามีใจ มี้ใจใจอย่างเดียวไม่สามารถทำความชั่วได้ที่พวกเปรตพวกผีอะไรต่างๆมันมีแต่ใจมันไม่ปราบกดกายไม่ทําความชั่วอะไรให้ใครหรอกที่ว่าผีก็ผีน่ะคนกลัวผีก็เลยเข้าใจว่าผีหลอกมันที่จริงมันไม่ใช่ผีตัวเราหลอกเองหลตัวเราหลอกตัวเราเองต่างหาก มันมีแต่ใจไม่สราบจะไปไม่สราบจะเอาอะไรไปประหัประหารทำลายคนอื่นรัดชอบขโมวยเขาก็ไม่เป็นมันมีกายพูดกหพูดอะไรพูดเท็พูดกหกเขาไม่ได้ไม่มีไม่มีวาจาพูดมันก็ไม่ได้ยินพูดภาษาของเขาไม่ได้ยิน มนุษย์นี่เท่านั้นเนี่ยที่จะทําความชั่วทุกประการอย่างฆ่าจัดกับมนุษย์นี่แหละเป็นคนฆ่าพูดตีวิสานไม่ฆ่าแล้วรักทรัพย์กมนุษย์นี่แหละรักประพฤติที่ใช้ใจกับมนุษย์นี่แหละประพฤต ก็ของอุตส่าหว่ากับมนุษย์นี่แหละเก่าวพ่อมีจา่ามีวิาจาดื่มสุราเมะัยกับมนุษย์นี่แหละดื่มมนุษย์นี่แหละสร้างขึ้นมามนุษย์นี่แหละเขาแต่งให้เป็นสุรายาเมามนุษย์เราก็เข้ารับประทางก็ไปอีกเมากือมนุษย์เนี่ยเป็นคนเมาทำลายคนอื่นกัมนุษย์เนี่ยเป็นคนทำลายนี่มันทำความชั่วได้อย่างนี้ ถ้าเหตุที่เวลารักษาความดีของตนถ้ารักษาความดีของตนนกระบวนการสุดพุท่องทิตใจใเบิกบานเรื่จากความชั่วอะไรก็เรื่องจากคือไม่ทำความชั่วห้าประกาศนะ้อยู่เย็นเป็นสุขไม่ใช่สิเราคนเดียวหมูพ่พวกเพื่อนอยู่ด้วยกันมนุษย์ชาวโลกอยู่ด้วยกันเย็น สบายเป็นสมดมั น, นี่แหละพื้นพื้นฐานของมนุษย์สมัติของเรามันดีอย่างนี้แหละอันนี้ถ้าจะให้ดีขึ้นไปอีกมนุษย์ของเรามีกายมีวาจาก็มีใจมีสามอย่าง เอาใจนั่นแหละเอาพิจนากายพิจนากายเห็นเป็นโทษเห็นเป็นทุกข์เห็นเป็นอสุภะปฏิกูลเกิดความเบื่อหน่ายนั่นเรียกว่าพวกพรมเกิดเป็นมนุษย์แต่จะเป็นพรมจิตอยู่ด้วยอารมณ์นั้น อสุภะปดีคูณเปื่อยเน่าปฏีคูณอันนั้นเรียกว่าพวกผมดีขึ้นไปอีกกลัวมนุษย์กลัวธรรมดาอันที่ว่ามาเบื้องต้นนั้นพิจรนารณากายนี่แหละให้มันสงบระงับดับสูญไปหมดจนกระทั่งไม่มีกายม่มีแต่ใ จ, ใจนั่นแหละเรียกของมันเรียกของมนุษย์ไม่ผม อารมูปภพจะเกิดจากมนุษย์นี่เหมือนกันถ้ามันมีกายแล้วก็พิจารณากายไม่ไม่มีกายเรื่องพิจารณาก็ไม่เกิดสุภาษิตกูไม่เป็นรูปภปพปในพิจารณาลบตั้งกายนี่มันก็ไม่ถึงอารมูปภพกกกอีกเหมือนกัน ต้องอยู่กับกายนี่แหละถึงโลกุตระคานิพิจานากายเห็นสุภาพก็เห็นแล้วพีจนาเป็นของปฏิกูลว่างเปล่าเห็นหมดแล้วพิจนาระงับดับเสียทิ่งลูกทำกลวงมดก็เห็นแล้วไม่จิตไม่ข้่องในสิ่งต่างๆ รูปก็ไม่ติดอรูปก็ไม่ติดมันก็พนจะรูกไปอรูปไปทันทีดีขึ้นไปเดินดับอย่างนี้ร่างกายมนุษย์ของเรานี่อันเดียวนี่แหละเกิดจากสมบัติมนุษย์สมบัติอันเดียวถึงชั้นเทวดาชั้นผมอรูปของผมถึงโลกุตตรธรรมได้ เหตุนั้นจริงว่าเราได้มนุษย์แล้วเราไม่พิจารณาเราไม่พิจารณาให้เป็นมนุษย์สมบัติให้เป็นสมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นมันก็อยู่อย่างนั้นเราตามดูมันนียถ้าเราพิจารณาให้เป็นมันก็เป็นเหตุนั้นควรที่จะพิจารณาให้เห็นกายของตนนี้ เป็นของมีกุณค่าประโยชน์เรือมหาศาลเราได้กายมาแล้วพิจารณาไปเถิดถึงรูปถึงกายพิจารณาให้เป็นของปฏิคูณส่วยเน่าให้เห็นอสุภาพปฏิคูณเกิดสลดชังเวทขึ้นมาในใจ ถ้ามันจำนี้ํนานาญหล่องแคบเรื่องเราพิจารณาไม่ใช่พิจารณาคนหนึ่งแล้วแล้วก็วแล้วไปเห็นแล้วก็วแล้วไปไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องพิจารณาบ่อยๆเหมือนกับเราทานอาหารฟันน้งนองเก่าน่ะเขี้ยวเขี้ยวเก่า รี่ของเก่าอ่ะเน่ยรสชาติของเก่าอ่ะน่ยกินแล้วก็ยังเคี้ยวอีกอมาคืนเอาไปอีกกินมาของเก่านนอ่ะเนี่ยอีมานี้แล้วก็วันหลังก็ทานรับทานอีกความที่มีรสชาติอ่ะนะความที่มีรสชาติมันเป็นเหตุให้ไม่ให้เบื่อได้ เาพิจาณากายเสมือใจมันเห็นเป็นของแปลกอยู่เรื่อยมีรชสชาติแปกต่างอยู่เรื่อยชอบใจยินดีพอใจถ้าพิจารณาเห็นอย่างดีอย่างที่เห็นธรรมดารม ด, ดานี่มันเบื่อพิจารณาเท่าไรก็เท่าเก่าเนี่ยเจียร์นเมื่อไรก็เท่าเก่าเท่าเก่าแล้วไเบื่อ การเบื่อนั้นก็นเหตุที่เราอย่างวันสงบเต็มที่มันเรื่องค่อยเบื่อถ้าเราสงบเต็มที่นั่นนหะรสชาตินัาแตกต่างเป็นเหตุในพิจารณาอยู่เสมอเสมอไม่อิ่มไม่เบื่อเพรอะพอใจยินดีกรรมการที่เราพิจารณาน้นเดียว นั่นจึงเป็นไปเพื่อ่วนเจริญอยากจะให้ใจเจริญแต่เราไม่พิจารณาให้มันละเอียดทีถ่วนอยากจะให้เจริญแต่เราภาวนาไ ม, ไม่สงบอยากจะให้เจริญก้าวหน้าแต่ใจเราไม่สงบมันก็ไม่ก้าวนาหน้าเลยที การพิจารณาทีจาาท่จะให้ก้าวหน้ามันต้องถึงความสงบยก่อนเห็นนั้นการที่จะพิจารณาเห็นว่าเป็นของปฏิกูลสุขภูแลเห็นอสุขะอะไรต่างก็ตามเถอเห็นเป็นทุกข์ก็ตามเถอะถ้าใจไม่สงบแล้วมันไม่เห็นะอะการใจสงบเนี่ยเป็นของสำคัญที่สุดมันจะเกิดเกิดจากใจสงบ ใจไม่สงบก็อย่างธรรมดาเหมดอนเดคนเราธรรมดาที่มองมองกันอยู่นอกจะเห็นเป็นธรรมดาแล้วมันเห็นเป็นของสวยสดงดงามไปอีกแต่ขี้เกี้ร้ายได้เท่าไรก็ตามเถอะมองดูเลยเป็นของสวยสดงดงามไปหมดท่านใจไม่สงบเลยถ้าใจสงบแล้วของสวยสดงดงามได้เทอะไรก็ตามเถอะรูปตั้งเราจะพาดเป็นอย่างนินตามเถอะ มันเป็นเหตุให้สรดสังเวชอนไรอย่างว่ารสชาติมันจะเกิดขึ้นมาก็เพราะความสงบความสลดสังเวชนั้นตังหากแต่เรื่องทั้งหลายเหล่านี้นั้นมันไม่ใช่ว่าจะเป็นทุกคน เกิดอารมณ์อ้ไเกิดสุภาพสติกุลไม่ใช่เป็นมาทุกคนแต่ความเห็นจริงเนี่ยมันเห็นเหมือนกันเห็นทุกคนเลยแหะสภาพเป็นจริงหรืออย่างไรมันเห็นจริงอย่างนั้นคือมันเห็นตามว่สภาพเป็นจริงเองไม่ใช่อื่นไกลกายของเราที่เห็นน่ะเป็นสุภาพเห็นอย่างนี้แหละสภาพจริงไหม ที่นาเรไปจริงไหมมือของเราเนี่ะมือที่เรายิบอาหารเทปปากนี้แหละเป็ของจริงไม่เป็นของอาชีพจิงไหมถ้าหากไปล้างนั่นก็ตกปรกร่างกายของเราทั้งหมดเหมือนกันถ้าไม่ล้างก็ไม่ไม่ชำระเท่าสารก็ตกปรก เม็นสาเหม็นของมันนั่นเป็นจริงทุกสิงทุกอย่างมดพูดใครพูดเอาไม่จริงไม่ได้ถ้าไม่จริงก็ลองดูทีมือของเราถ้าตัดออกจากนิ้วมือที่ตัดออกไปจะฝ่ามือซะและ้วหยิบมันก็ไม่อยากหยิบมันยกก็โปรกันี่ะเขาออกจากตัวของเราเป็นตัวก็โปรมดอันที่มัน เห็นของสวยสดนงานเพราะมันอยู่กับตัวของเราเท่านั้นน่ยแท่ที่จริงมันชกกระปกยิบก็ไม่อยากยิบถูกก้องก็ไม่อยากถูกมันน่าเกลียดไะอีกตัวของเราเป็นทุกข์ไหมเกิดมาเป็นทุกข์ไหมที่เราเห็นเป็นสุขเป็นสุขหน่ง พ่อคล้องหลงงมเมาต่างหากความเป็นจริงแล้วมันทุกข์อยู่ทั้งวันกลางคืนทั้งกลางวันกลางคืนพระพุทธเจ้าท่านเทศหลวหมดเกิดขึ้นมาแล้วมีแต่ทกขเท่านั้นแหะไม่มีอะไรหรอก ทุกอันนี้เกิดขึ้นมาแล้วดับไปทุกอันนี้ดับไปทุกอันอื่นเกิดขึ้นมาอีกแค่มันเป็นจริงไว้ทานี้เรานั่งอย่างนี้แหละถ้ามันเหนื่อยมันเน็ดแล้วก็เปลี่ยนทิริยาบทไปยืน มันยืนมันเหนื่อยก็เปลี่ยนดิญาบทไปเดินเดินเหนื่อยก็เปลี่ยนดิญาบทมานั่งแล้วมานอนอาการที่เปลี่ยนดิยาบทนั้นคือหมายความว่ามันทุกข์แล้วยังไปเปลี่ยนอิญาบทพออาการเปลี่ยนดิญาบทนั่นแหะมันกบาบังปกปิดกบาบังเราไม่เห็นทุกข์ คือมันเปลี่ยนออกไปมันหายไปพักหนึงทุกันนี้หายไปกอเลยลืมแทนทุกทุกในกายขอยงเราทุกอื่นมาแทนที่เขาอีกนี่แหละจึงว่าเห็นตามเป็นจริงเอาชุดผ้าก็เห็นตามเป็นจริงทุกเลยเห็นตามเป็นจริงท่า น, นี้อนัตตาเราเห็นตามเป็นจริงไหมล่ะ คนไม่มีใครห้ามตามได้้องเกิดคงแก่องเจ็บองตายไม่มีใครห้ามได้สักคนเดียวนั่งในเดียวนี้ก็ไม่มีใครห้ามไม่เห็นตัวไม่เห็นตัวทุกข์ไม่เห็นตัวอนัตตาซะอีกคือนั่งนี่มันเคลื่อนไอ้เวลาเวลามันเคลื่อนไหวไปไอ้มันเคลื่อนไปทุกที่ทุกทีมันหมดไปทุกวันทุกวันหมดนาทีวินาทีมันหมดไปหมดไปแล้วใครห้ามได้ไอ้กองคนนั้น นั่นเน่อนาตาตอนตอนรุ่งหมดตอนวันนี้หมดไปก็รุ่งขึ้นมาก็หมดไปแล้ววันนึงก็มดไปอีกข้ามไปอีกมืดอีกแล้วก็สว่างอีกเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้ทุกวันทุกวันให้ห้ามได้การเวลานั่นมันฆ่าชีวิตของเราให้หมด ไปหมดไปหาได้อยู่คงที่ไหมทั้งเวลามันก็ฆ่าตัวมันเองด้วย้วลามหมดไปมันก็ฆ่าตัวมันเองด้วยนันยังได้เชื่อเวลาไออนาตตาให้ห้ามไม่ได้อนาตตามาเถียงกันนะก้าควากม็มีตนมีตัว เทียงกันเท่าไหร่ก็ไม่มีที่จินที่สุดข อ, ของมันมีนตัวของมีเนี่ยสิอนาตตาของมีจะเรียกว่าอนาตตาอะไรของมันไม่อยู่ในบังคับบัญชาต่างหากไม่อยู่เลยบังคับบัญชาของเราต่างหากอนาตตาไม่ใช่ของไม่มีของมีนี่แหละอย่าไปเถียงกันเลยอนาตตา คล้งมีจะไปเสียงเทียงไม่เท่าไมมีที่จุดสุดคองไม่เที่ยงไม่ท้าวอลทั้งสามประกาศเนี่ยอันนีจอย่างทุก อ, อนาตามันรวมอันเดียวกันนะั่นทำให้จากไออนาตตะรักษณะสูตรพระองค์เทศนาขึ้นอนตตาไปก่อน รูปฟางวิกเวนตารูปที่รูปรูปเป็นของอนัตตาถ้ารูปเป็นของอนัตตาแล้วใส่ถ้ารูปเป็นของอาาน e ัตตาแล้วมันเที่ยงก็ไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงอะสิมันแจรวปวนเนี่ยมันจะเป็นอนัตตามันแจ่วปวดนั่นดีมันเป็นทุกข์มันแจรวปวนอยู่ตลอดเวลาแล้วมันนั่นแหละเป็นทุกข์ตกลงด้วยอันเดียวกัน อันนี้จังทุกขังนัตตาและอันเดียวกันแต่อนนาัตากนก็ได้อนนี้จังทุกขังก็ได้อนนี้จังทุกขังนัตตาก็ได้ไหมครับลงเป็นอันเดียวกันนี่แหละมนุษย์สมบัติที่อธิบายฟังอันนัตตาคือตัวของเราเนี่ก็มนุษย์สมบัติพระพุทธเจ้าได้สําเร็จพระข น, นิพานกับอันนี้แหละ ภาษาวกร้ายสำเร็จของคนฟังสายนี้แหละมนุษยธรรมนี่นะเราอยู่ทุกวันนี้ก็ได้มนุษยธรรมจึงค่อยเป็นจึงค่อยอยู่ได้ถ้าไม่ได้มนุษยธรรมแล้ว ค, คือตายมดเรื่องทําอะไรก็ไม่ได้ตายแล้วมดเรื่องเราได้มนุษยธรรมจึงค่อย ไหวเปลี่ยนแปลงไปมาอยู่ตลอดเวลามันกิ้งอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับท่อนไม้ท่อนปืนเนี่ยมันกิ้งไวปกิ้งมาที่มีมนุษย์สมบัติอยู่นี่มีกายวิช า, จาใจไม่กิ้งไปจริงมาถือว่ากิ้งไม่ถือว่าเดินเยินเนี่นั่งนอนก็คือมันกิ้ง น, นั่นแหละถ้ามัน ไม่กิ่งก็คือมันหยุดไม่หมดสมบัติมนุษสสมบัติเท่านั้ น, น, น, นอธิบายเป็นทั้งเรื่องมนุษสสมบัติมากมายกว้างขวาขอยุดเตี่เพียงแค่นี้อิจจิตตังจิตังตุสังขิปเมวัสมีจตุสเพปุเรนตุสังกภาจันโทพันละโสดะธามณีโชธิรัตโฉยะธา สพิโยวัชสัพรนตุมาเตหะตุนตรยสุขีทายกโกวะอภิวาชนสสีิสานิจังอุทาปชาญโนสทารธมาทันติอายุวันโนสุขังฐานะภาวนาต่อไปภาวนาต้องเอาคำปริกรรม เป็นเครื่องยึดถ้ามันมีคำบริกรรมเป็นเครื่องยึดทำง่ายเดีวถ้ามีคำบริกรรมทำง่ายง่ายจิตรวมไปง่ายทีเดียวแต่หากว่ามันหายเร็วรวมง่ายแต่หายเร็วถึงมันไม่หาย แต่มัมีเครื่องพิจารณาพอทำสมาธิกับจิตสงบเลยเลยหายเงียบไปไม่มีเครื่องอยู่เราพิจารณาอนาปานสติก็ดีเลยภาวนาพุทโธกด็ดีให้เป็นหลักถ้าเมื่อภาวนาพุทโธอนาปานสติแล้ว มันรวมลงไปอ น, นาปาสสติมันก็ขายเหมือนกันพุทโธก็หายไปเหมือนกันเรื่องภาวนาทั้งหลายมีหลายอย่างหลายเรื่องอย่างเขาทำยกนอพ่อหนอก็เหมือนกันหรือว่าธรารมะละหันก็เหมือนกันอะไระะต่างๆวะไม่แปลกล้ ที่จะทำกรรมฐานได้ก่อนนั้งสี่จิตอย่างที่จิตอุบายมากกว่านี้อีกอันนั้นเป็นเด็เครื่องล่อเครื่องอ่อยเครื่องล่อให้จิตรวมเท่านั้นแหละอันจิตรวมแล้วล่วนะยังไปคำนึงถึงเรื่องอันปริกรรมอยู่ จิตมันก็ไม่รวมจิตถอนออกมาสิจิตจะรวมลงไปได้ไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้รวมหรือไม่ให้รวมรวมหรือไม่รวมก็ไม่ว่าเมื่อมันจิตมันจะรวมมันวางเองมันปล่อยวางเองรวมเขาไปสงบนิ่งเฉย การสงบมันมีหลายอย่างอย่างหนึ่งสงบนิ่งเฉยไม่มีอะไรเลยไม่รู้สึกตัวทั้อีกอย่างหนึ่งรวมลงไปรู้สึกตัวอยู่แต่ฮะเป็นของภายในรู้ภายในตัวตนเองเหมือนกับของภายนอกนั่นแหละรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ฮะเป็นของภายใน ไม่ได้เกี่ยงเนื่องคือเรื่องของภายนอกอย่างนึงนั้นเห็นดีดีนี่แหละทั้งภายนอกภายในจิตสงบนิ่งแน่วลงไปแล้วก็เห็นอยู่ภายนอกภายในเหมือนเพนแต่เอาเห็นธรรมดาเนี่ยแต่มันแปลกเพราะใจเห็นไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่ตาเห็นหลายอย่าง มันจะเป็นอะไรก็เอาเถอะทั้งสามสีอย่างนั่นนะล่ะรวมไปยังไรก็เอาเถอะขอให้มันเป็นแล้วก็แล้วกันเพราะการเป็นเช่นนั้นไม่ใช่เราไปแต่งเอกมันของเป็นเองเกิดเองขึ้นมาเบื้องต้นกราฝึกหัดกมไฝฝึกหัดข้อนาอย่างที่อธิบายให้ฟังอนะันเนี้ย แต่ภาวนาพุโทโธหรืออรหังสมารหรืออะไรก็ตามเถมอะอนาปานสติก็ตามเถอะฝึกหายเบื้องตน้นมันเป็นบ่อยๆมันเป็นชำน่ชำนานจนกระทั่งคล่องแคล่วแล้วนั้นจึงจะรู้เรื่องของทั้งหลายเท่นั้นที่มันเป็นบางครั้งบางคราว พูดก็แม่ถูกพูดในคนอื่นฟังก็ไม่ถูกมันเป็นคล่องแคล้วมันเป็นชำนิชำนานแล้วยังค่อยพูดถูกเป็นขออาเจียนเรื่องภาวนาถ้าไม่ตั้งใจให้เป็นจะเป็นเวลามันจะเป็นมานการที่มันยุ่งมันวุ่นวายนั้นคือมันอยากเป็น อยากให้เป็นนั้นสงสยยัยไปอยากจะให้เป็นอยากจะให้เห็นอยากจะให้รู้มันเลยไม่อยู่จิตเลยสงสยัยทั้นสงสัยมันไม่เป็ น, นก็นเลยวูบใหญ่เดือดร้อนวุ่นหวายเหตุนั้นการพาวนาทําสมาธินั้นต้องทําให้ใจยึด